بسم الله الرحمن الرحيم ا ن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت غ ف ي วะนัสตัยน ل ฮฺวะนัสตักฟิรฺวะนัสต้าดุบิ ل ลาห์ฺมิน ل ุรุร์อั ل ฟุซน่าฺ ل ะมินไซย่าต์อามัลิ ا ่าฺมั ا ฮ ل ดิลลาหฺฺฟลามุดดิลลาหฺฺว์มัยยุดลิลฺฟล اللهم ص ل على م ح م د وعلى آ ل ه و ا ص ح ا ب ه و م ن ت ب ع ه م ب إ ح س ا ن إ ل ى ي و م ا ل د ي ن ر ب ش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و ح ل ا ل ع ب د َ م ن ل س ا ن ي ي ف ق ه ق و ل ي ا ل ل ه م ب ك أ ص ب ح ن ا و ب ك أ م س َ ن ا و ب ك ن م و ت و ب ك ن ح ي ا و إ ل ي ك ا ل ن ش و ر ا ل ل ه م أ ن ت ر ب ي ل ا إ ل ه إلا أنت خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا ع َ ل َ ى าสาบานว่าข้ารับคำสัญญาของท่านและคำสัญญาของท่านเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ข้าท่านเป็นผู้ให้พรแก่ขَ้และท่านเป็น ن ُ و ب َ إِلَّا أَنْتَ ا ل ل ภัยท่านทีِ่้าทำผิดพลาดแَะข้าขออภัยท ا านที่ข้าทำผ ل ดพลาดท่ و นพ่น้อที่่นา หรือนมัปริดญาทุกๆท่านครับวันนี้เราต้องขอบคุณน้องรอ์นะครับที่เราหลังจากนมัายิดจบแล้วเนี่ยเราก็ทบทวนอัลกุรอานวันนี้มาถึงสุรัสอัลฮิจรอัลฮิจรนะครับสุรัที่10บสหสุรัที่15นะครับอัลฮิจรุนี่แปลว่าอะไรนะ แปลว่าชาวเข า, าหรือคนที่ที่อยู่อาศัยของเขาสกัดด้วยหินสกัดภูเข า, าทำบ้านาในสูร่าอัลฮิจรูเนี่ยขอทบทวนเล็กๆน้อยๆนะครับคือคนกาเฟรเนี่ยคนไม่เอาศาสนารวมไปถึงพวกเราด้วยคนฝั่งคนีด้วย ที่อยู่บนดุน ญ, ญานี่ไม่เอ า, าศาสนาะคือทำตัวเหมือนคนฝังขนู้นน่ะตอนตายเนี่ยลำบากเราเสียใจที่ว่าเสียใจนะกูอ่านนะไม่ใช่ไม่ใช่ใครพูดแล้กครับอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเลยเล่าว่าไงนะรูเบมายาะวัดดุลละดีนักกฟารูลาวกานู มุสลิมบ่อยครั้งเหลือเกินที่คนที่ไม่เอาศาสนาตอนนอนอยู่ในสุสานมันมีอยู่สามช่วงอะกันหนึ่งตอนนอนอยู่ในสุสานตอนอยู่ในนรกตอนเข้าไปอยู่ในนรกน่ะคนมุสลิมก็อยู่ในนรกด้วยมุสลิมแบบไหนแล้วก็มุสลิมคำว่ามุสลิมเนี่ย ตำแหน่งมันต่ำกว่าคนมุตตนนมมนนนอลิ า, าคนมุสลิมก็คือถ้าแปลภาษาเราก็พวกแขกพวกแขกที่เข้าสุราปีละสองครั้งแล้วก็วันสุก์ก็นานมาทิงอะไรเงี้ยมาก็ามานั่งหลับอะไรเงยนะไม่เอาศาสนาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะเวลาตกนรกเนี่ย เสียใจอ่ะยังไม่ทันตกนรกกับนอนอยู่ในกูโบเนี่ย <c oughs> ก็กลัวแล้วเสียใจแล้วร้องไห้อ่ะร้องไห้ว่าไงนะบนว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้ฉัน <c oughs> หันมาเอ า, าศาสนาก็จะดีอืมฉันจะกลับมาหาอัลลอ์ก็จะดีฉันจะมาทำนู่นทำนี้ตามที่ท่านนาบีสอนก็จะดีไปเสียใจยิ่งคนกาเฟสนะ่ยเสียใจหนักกว่ามุสลิมอีกอ่ะ พอคนที่เป็นมุสลิมตกนรกไนมันมีแมีเวลาออกอ่ะอยู่ด้วยกันก็คุยกันคนกาเ ฟ, ฟถามว่าอ้าวเป็นมุสลิมมันตกนรกทําไมอ่ะคนมุสลิมก็บอกว่าท่านทําบาป ท, ทําทัวเรลวหมือคุณแ่ะท่านอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเมื่อช้าเขาสันก็ออกอัลลอฮฺได้ยินอัลลอฮฺก็เลยบอกอาเอ า, เอ า, เอามุสลิมออกไอ้คนที่มีอิมานอยู่ในใจนนะเอาออกมา ควมมุสลิมออกมาคนหนึ่งคนกาเฟ่ก็เสียใจอีกอ้าวเองออกราคาไม่ได้ออกไปต้องกลับเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดชีวิตหลังตายเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะทีนี้คนคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ไปวันวันหนึ่งอยู่เพื่ออะไรรู้หมหยะกูลูเขากินแล้วก็หาความสุขใส่ตัวใช่หรือไม่ใช่ใช่ เราก็มีความหวังลมๆแรง ๆ, ๆไอ้ความหวังลมแรงๆเนี่ยผมสังเกตได้นะผมไปที่สวนหลวงรอเก้าเนี่ยผมก็ถามว่าอลุงไปไหนลุงอีกคนหนึ่งนะเขาว่าโอ๊ยเขาไปสวรรค์แล้วไอ้เราก็นั่งนึกเราหนามารวบหนามารต้วันทำพิธีออกอากาศทำพิธีอ่านจารึกทิศแล้วยังไม่รู้ว่าจะประรอดหรือไม่รอดน่ะ แต่คนฝั่งก็นุ่นพูดว่าเขาไปสวรรค์แล้วทำให้เรานึกเอ๊เไมคนไม่มีาศาสนาเนี่ยนเะวลาเ็าตอบตอบง่ายมากเขาตายเขาไปสวรรค์แล้วนี่ไงวายุลหิมุลอามาลคำนี้แหละอายาที่สามเนี่ยปล่อยให้เขามีความคิดลมๆแรงๆไปเถอะพูดว่าไปสวรรค์ ผู้ตายแล้วไปสวรรค์ทั้งๆที่ไม่เคยสูดอยู่ต่ออัลลอฮ์สักแป๊บหนึ่งอ่ะสักครั้งหนึ่งก็ไม่เคยกูอ่านก็ไม่เคยอ่านสูรานดารีไม่รู้จักและอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์ลแล้วใครจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยที่คนเข้าไม่รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาบูบานาลามันเป็นไม่ได้ยังไงไปเนาะครับอวันนี้เรามาถึงสุร Al ้ออัลฮิจรนะครับอายาที่จะรนะ้อยนะอายาที่หอายาที่หก وقالوا يا أيها الذين زل علىه ا ل ذكر إنك لمجنون و กอ و ูเนี่ย <ون> แปลว่าพวกเขาพวกเขาพูดใครนะกอรูหมายถึงใครหมายถึงชาวมักกะที่ต่อต้านนบีมูฮัมมัด ถ้าหากเอาอายานี้มามาใช้กับพวกเราก็คือคนที่หลงวัตถุในวันนี้คนที่ต่อต้านนบีมุฮัมมัดต่อต้านอัลกุรอานต่อต้านสุนนะของนบีมุฮัมมัดวันนี้พวกวัตถุนิยมทั้งหมดกล่าวว่าไงรู้ไหมในวันนั้นกล่าวบอกว่ายาอายุหฮัลทีนุซลัลอาไลฮิฎิคร โอ้โมฮัมหมัดเอ๋ยซึ่งข้อตักเตือนอัลวิครูแปล ว, ว่าข้อตักเตือนได้ถูกประทานลงมาแก่ท่านนั้นนุสเ ล, ล่าแปลว่าถูกประทานลงมานะครับอัลวิครูหมายถึงข้อตักเตือนข้อตักเตือนตรงนี้อธิบายว่าอัลกุรอาน อัลซิครูต ร, ตรงนี้หมายถึงอัลกรุรอานพวกเขาชาวมักกะเช่นพวกวัตถุนิยมในปัจจุบันกล่าวว่าโอ้โมฮัมหมัดเอ๋ยข้อตะเกือนที่ได้ถูกประทานลงมาแก่ท่านนั้นแท้จริงท่านน่ะบ้าบ้ามัจญูนแปลว่าบ้าท่านบ้าจริงๆท่านเป็นคนบ้าอาญานี้ต้องการจะปลอบใจนะ ขอบใจนบีเพราะว่าคนที่มาก่อนหน้านาบีมูฮัมหมัดทั้งหมดเนี่ยถูกตำหนิถูกดา่าถูกต่อว่าจะใครนะจากคนฝั่งคนันุนต่อว่านาบีตั้งแต่นบีอาดามคนแรกเรื่อยลงมานาบีบรอฮิมนบีนวัวทุกนบีถูกต่อว่าหมดและพูดทํานองใกล้ยๆกันบอกว่าคนที่นําเอาอิสลามมาสอนเนี่ย คนนี้เป็นคนบ้าทำไมจึงใช้ภาษานี้ใช้ภาษาหนักนะก็บอกว่ามีอย่างนี้เพราะว่าความคิดของอัลลอ์เนี่ยความคิดของอิสลามกับความคิดของคนที่ไม่เอาอิสลามนี่มันต่างกันนะ่ะต่างกันเยอะมากเลยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมเดินเข้ามาที่มัสยิดเนี่ยเจอบังยูซุฟ ยซุกอว่ามีพักผวกเราที่ที่มานมาัสการประจําอยู่ที่นี่ตอนนี้ไม่ค่อยได้มาไปอยู่ไปนมัสการอีกแห่งหนึ่งฝ่าสลหลามถึงพวกเราด้วยสูซุกกคุยบอกว่านั่งที่โรงแรมกับนั่งที่มัสยิดอันไหนจะดีกว่ากันนั่งในมัสยิดกับนั่งที่โรงแรมชั้นหนึ่งนะ่ะนั่งตรงไหนจะอร่อยกว่ากัน คนฝั่งคนนี้เนี่ยพูดว่านั่งในมัสยิดดีคนฝั่งคนนู้นบอกว่าไงนะนั่งที่โรงแรมดีเห็นไหมความคิดมันต่างกันอ่ะไอเราเนี่ยถูกสอนจากนาบีมุฮัมมัดจากอัลลอฮ์บอกว่านั่งในมัสยิดเนี่ยอัลลอฮ์นั่งในมัสยิดก่อนนมาสักสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยระวางที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยรู้ไหมอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะมา มาทำอะไรมาขออุอาให้กับคนที่นั่งในมัสยิดนั่งก่อนเวลานามาดเนี่ยพี่น้องมาขออุอาสามต้นต้นที่หนึ่งอัลลอฮุมมะฟิตลาฮูโอ้อัลลอ์อภัยโทษให้กับคนที่มานั่งในมัสยิดด้วยอัลลอฮุมมาอัลลอฮุมาอัลลอฮุมมะฮัมหูประการเรื่องที่สองโอ้อัลลอ์ โปรดประทานความเมตตาให้กับคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดด้วยไม่ใช่มาคนเดียวเราขอบทไม่ใช่ใครมานั่งสิบคนมาไรกะก็มาสิบองค์มาขออุอาให้คนนั่งในมัสยิดและขอข้อที่สามก็คืออั <c oughs> um oh, ลลอฮุมะตุบอัลเลฮีโอ้อัลลอฮ์โปรดรับการเตบาบะตัวของคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดฉะนั้นภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่ คนฝังคนีเนี่ยมั่นใจเลยว่านั่งในมัสยิดนั้นมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากเลยถาวัานั่งในที่โรงแรมมีผลบุญไหมไม่มีครับมาลิกามาไหมไม่มาขอดวอาครับแต่จะมาขอดวงอาให้กับคนที่นั่งในมัสยิดเพราะความคิดมันไม่เหมือนกันพนะี่น้องทั้งหลายแต่งตัวอาจจะเหมือนกันอยู่บ้านทรงเดียวกันรถขับยี่ห้อเดียวกันวิญญาณสุ ข, ขุมวิทยรา่างแฝงเหมือนกัน แต่ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยในใจของคนมุมิม้นกับคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เหมือนกันนี่ต้องการจะอธิบายให้พวกเราว่าความคิดเนี่ยสำคัญไปนะ้นองความคิดนี่ยสำคัญแต่คนอยู่ฟังก็นู่นอปานี่กาลังนอนอยู่ใช่หรือไม่ใช่แล้วคนฝังนี่ตื่นแล้วตื่นตั้งแต่ตีสีแล้วตีสีครึ่งได้นามาตหายุดได้นามาตอะไรเนี่ยนามาตวิตเต ในอ่านกุอานเด็กๆกรุ่นละพะคนฟังกนนี้มองว่าความคิดที่มาจากอัลลอ์เนี่ยเป็นความคิดที่ดีมีความเชื่อที่ถูกท่านเชื่อถูกคิดถูกัปก็ทำถูกแล้วคนเรานี่ลองตายดูสิ อ, อัลฮัมบุริลละอัลลอั์มีแต่ของดีๆๆที่อัลลอ์เตรียมมาไว้ที่นั้นคนฟังกันนูนนี่ปน้องครับมันความคิดมันสวนทางกัน ความคิดมันสวนทางกันฉะนั้นความคิดของคนฝั่งโน้นพอมาเจอเรื่องอย่างนี้เข้าวมันก็มองอะ่ะคือมองแต่ภาพภ่างนอกอะ่ะไม่ได้มองภาพลึกๆรวมไปถึงคนที่นอนอยู่ในกุโบก็เหมือนกันเนี่ยคนที่ไปเยี่ยมกุโบวันนียคนฝั่งโน้นมองดูมันมีอะไรมีแต่ดินดินดินดินดินใช่หรืไม่ใช่เห็นแต่ดินทั้งหมดนะละแล้วดินที่ถมออามาก็สูงขืบนนึงทําไมไม่สูงสัก ว่าหนึ่งอะนบีสอนอ่ะเวลาฟังกูโบเนี่ยอย่าถมดินสูงอะนี่นะความไรนะความความดีที่อลัลลอฮ์เป็นห่วงมนุษย์น่ะอ้าวกูโบก็คืบหนึ่งถ้ามองข้างนอกมันไม่มีอะไรอะแต่ถ้าอ่านจากคดีอัลลอฮ์อักบัตไม่ใช่อ่ะใต้ดินอัลลอฮ์อักุบัตความเสียใจมีความทุกข์มีการทรมานมี ใครทุกข์ใครทรมานอ่ะก็คือคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาคนไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดคนไม่เคยแตะอัลกุรอานเนี่ยลองนอนอยู่ในกูโบดูสิโอ้โทรมานความมีแต่ความเสียใจมีแต่ความทุกข์ทั้งหมดนะ่ะฉะนั้นมันภาพมันคนละภาพอ่ะ ไอภาพมองแต่ดินดินกอีภาพหนึ่งมองลึกๆไปเจอคนอยู่ในกุโบนมันไม่ใช่นอนธรรมดานะมันนอนแล้วก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็มีการทรมานด้วยในขณะเดียวกันฉะนั้นเอากาเฟตความคิดตองคนกาเฟตกับความคิดของผู้ศรัทธาอัลลอ์มันขวางกันตลอดเวลาฉะนั้นอายานี้เวลาอัลลอฮ์ส่งนบีมานาบีถูกต่อว่าว่าเป็นคนบ้า แต่ถามพวกเราว่าถามนาบีบ้าหรือนบีดีนบีเป็นคนดีอ่ะนำอะไรมาล่ะอันนี้ไหมนําเรื่องของดีๆมาให้เวลาอัลลอฮ์ต้องการจะคุยกับมนุษย์ในพื้นนอกต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะอัลลอฮ์ไม่ตัดกับมนุษย์ตรงๆนี่เป็นสูตรของอัลลอฮ์เลยนะของอิสลามเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ต้องการที่จะสั่งให้มนุษย์นำมาเนี่ยเอา้าอัลลอฮ์ทำไงเชิญนบีขึ้น ไปพบใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่าทำอะไรนะขึ้นอะไรขึ้นเมีย อ, อัอให้นบีไปรับนามาจากบุนชั้นฟ้าเนี่ยพอนบีลงมาแล้วเอามาสอนนี่วิธีการสอนของอัลลอ์หรือไม่ก็ให้ยิบรีลเนี่ยลงมาหาท่านนาบีอายกยกตัวอย่างง่ายๆ <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยพอนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยพอจะลงประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ย อัลลอ์ให้จิบรินนำอัลกุรอานมาให้นบีมุฮัมมัดก่อนที่จะประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยมีคนยิวส่วนใหญ่เป็นค น, u, นยิวเลละมานาณบีมุฮัมมัดเรื่องประจำเดือนเป็นยังไงพวกเราเนี่ยทรมานอึดอัดเหลือเกินเวลาภรรยามีประจำเดือนที่บ้านสมัยนู้นนะสามีต้องไปอยู่นอกบ้านเพราะมีความเชื่อว่า ถ้าภรรยาอยู่ในบ้านมีประจำเดือนสามีอยู่ในบ้านไม่ได้กินข้าวอยู่ด้วยกันไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเดียวกันไม่ได้จับมือถือแขนไม่ได้ต้องไปอยู่ข้างนอกเราคอยถามว่าประจำเดือนภรรยาหมดยังมันก็สร้างความอึดอัดน่ะพองนบีมุฮัมมัดมา ก, ก็ถามมุฮัมมัดมุฮัมมัดว่ายังไงอ่ะถ้าท่านเป็นนบีจริงอ่ะต้องตอบเรื่องนี้นะ เรื่องประจำเดือนเป็นยังไงอัลลอฮ์ก็ส่งวาฮีลงมาให้จิบรีนมาหานาบีเลยแป๊บเดียวลงมานาบีก็พูดบอกว่ายาสอาลูนักอาเนลมาให้กุลฮัวอาดามีคนมาถามท่านเกี่ยวกับเรื่องเลือดประจำเดือนของผู้หญิงกุลฮัวดามุฮัมมัดจงตอบเลือดประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรกเลือดตัวเลือดจะโสกปรก พะอาจาลุนนิสะระหว่างที่ภรรยามีประจําเดือนออกห่างกับภรรยาอย่าร่วมหลับนอนกับภรรยาอย่างอื่นทาได้หมดนี่เป็นคําตอบอ่ะอัลลอฮ์ทรงมุฮัมมทรงนบีมุฮัมมัดมาเพื่อเรื่องนี้พี่น้องมาสอ น, นมนุษย์สอนทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องมาตั้งยี่สิบห้าปีมาอยู่กับสร า, าบาณ์นบีอ่ะ ละสอนที่ละเรื่องวันบางที่มาห้าเรื่องท่านสวสนาบ้านนบีทุกคนในวันนั้นเนี่ยนะอยากจะอยู่ถึงวันสุดท้ายของนบีมูฮัมมัดอยากจะอยู่มากเลยเพราะไม่รู้ว่าอาลัลลอฮ์จะวาฮีอะไรมาอีกเนี่ยคนที่ไม่สบายและตายก่อนนบีในปีนั้นเขาเสียใจมากเลยอลัลลอฮ์ชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติตามคําสั่งของอลัลลอฮ์ครบบริบูรณ์ พอตายก็เสียใจพวกเราเนี่อัลลอฮ์ทำดูดีแล้วคบบริบูรณ์แล้วแต่ไม่เรียนถาว่าขาดทุนหรือกำไรขาดทุนครับแต่อัลฮัมดูลิละเราก็มากันแล้ววันนี้ก็มาเรียนกันมาหาความรู้กันเพื่น้องเพื่น้องแล้วก็ความรู้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ Allah นะอย่าลืมนํำมาไปปฏิบัติสักข้อหนึ่งหรือสองข้อเนี่ยอัลลอฮ์ฮุอะบดุลละถ้าท่านนำไปปฏิบัติทั้งหมดทุกข้อที่อัลลอฮ์ ท่งบอกผ่านยิบริณมาให้กับนบีเนี่ยไปน้องต้องหลายอาจจะนั้นคนฝั่งก น, นี้มองมูฮัมหมัดเป็นคนคนฝั่งกันน้นมองนบีเป็นคนบาแต่คนฝั่งกนนี้มองว่านาบีเป็นอพาเราสู่สวนสวรรค์ฉะนั้นเราเลยพูดว่าใครที่ไม่เอาสุนนะฮันนบีคนเนี้ยขาดทุนขาดทุนเลยไปน้องมีหลักการดีๆอยู่แล้วที่มาจากปากปาผ่านญิบริณสะอาดบริสุทธิ์ และเราไม่เอาหันหลังให้กับอิสลามทําตัวเหมือนคนฝังคานุ่นน้องครับเรียกคนฝังคนุ่นมาฝังคานีนเยอย่ามกันนะัะขนาดเรียกคนฝังคานีนด้วยกันกนี่ยยังเหนื่อยนะบางทีสามีมาผัวไอ้ภรรยาไม่มาอ้าวบางทีภรรยามาสามีไม่มาโอ้สารพัด ท, ที่เป็นอย่างงี้เนี่ยเราท้อไม่ได้ต้องทํางานศาสนาต่อไปจนกว่าเราจะหมดลม อายใจนะครับเอาไปต้องเข้าใจนะครับว่าก็รู้พวกชาวมักกะถ้าหากปัจจุบันนี้ก็พวกเรานี่แหละที่พูดบอกว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยกุรอานที่ท่านนำมาเนี่ยนะท่านน่ะเอามาสอนสอนสอนเ น, นี่ยท่านก็ไม่ต่างอะไรกับคนบ้าหรอกอ้อาวอายะที่เจ็ดครับ เรามาตัดีนาบิลมาลาอิกาท่ิงกุณธรรมนอสอดีกินเรามาตะตีนาบิลมาลาอิกะทำไมท่านไม่นำมาลาอิกาลงมาด้วยนี่มาเนี่ยมาคนเดียวเอากุณอ่านมาเนะี่ยทำไมไม่นำมาลาอิกาลงมาด้วย เพราะคนเหล่านี้ไม่เชื่อคนฝรั่งโน้นไม่เชื่ออยู่แล้วฉะนั้นถ้าหากมุฮัมมัดเนี่ยนําเอามาลายิกาลงมาอีกทีหนึ่งเอามหมเต็มเป็นมาลายิกาเดินเป็นคนลงมาแบบมนุษย์เนี่ยฉันก็จะเชื่อว่าท่านนี่นะ่ะเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงเห็นไหมเป็นอ๋คนฝรั่งน้นพูดพูดทั้งหมดแล้วเนี่ยมุฮัมมัดมาเนี่ ย, ม า, ม, ายมายืนพูดมายืนสอนอะไรแต่อะไร ท่านไม่เชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นนบีจริงแล้วกุรานที่ท่านนํามาเนี่ยก็ไม่เข้าท่าฉะนั้นถ้าจะให้เข้าท่านะท่านเอามาลากิการลงมาอีกมาเดินกับท่านแบบแนี่อะไรเนี่ยหัวหน้าเรากเราหัวเนี่ยพวกนะคนใหญ่ๆโตๆเนี่ยเวลาเดินไปไหนมาไหนคนเดินตามใช่ไหมละ่ะข้างหลังยี่สิบข้างหน้าแล้วก็ไปตรวจก่อนก่อนที่ ผู้นำจะไปทำไมไปดูอะไรแต่ อ, อะไรมันต้องมาแบบนี้สิมันต้องมาแบบนี้อย่างออบามาจะไปไหนโอโ้โหส่งคนไปก่อนใช่ไหมล่ะเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็มีลูกน้องตามหลังลูน้องอยู่ข้างหน้าเดินประกบมีตำรวจตํรวจทหารอะไรแต่ อ, อะไรเต็มไปหมดถ้ามโมหมัดมาอย่างนี้สิมันน่าเชื่อถือนี่มาคนเดียวไปแอบอยู่ในถ้าดูดูบรรมากันสิมันน่าเชื่อไหมล่ะพี่น้อง แา้วมานำนำมาตแต่งตัวก็ว่า อ, อย่างงี้มันต้องอีกอย่างหนึง่งมันต้องมาแบบโอบามา่าหื ม, ม, มกังใช่ไหมมีหอมหน้าหอมหลัง ม, มีนู่นมีนี่เป็นองค์กรเนื่นคนฝังขนูนมองผู้นํามองอย่างงี้หมดเลยแต่ที่คนฝังกระนี้เนี่ยมองยังไงมองผู้นํามองผู้นำผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์ที่มาจากอัลลอฮ์ต้องมานั่งในมัสยิด ต้องมองภาพนี้ทานอาหารนั่งธรรมดาอัาบดุมฮัมหมัดนั่งยังไงทานอาหารชนะันเข่าขึ้นแล้วคนฝั่งกันน้นนั่งบนเก้าอี้กินมือไส้อับดกินมือขวาเอามือไา้เนี่ยผู้ราบก็ถูกลองเอกใช่หรือไม่ใช่จับอะไรแต่อะไรมีดมือขวาทานซ่อมมือไา้แล้วก็หันสเต็กอย่างด้านท่าน พอหันปาดทำไงอันบยังดีอันบิสมิลลาหนะ์ถามว่ามือซ้ายหรือมือขวามือซ้ายใครสอนคนฟะก น, น, น, น, น้นสอนแต่นบีมุฮัมมัดสอนอย่ากินด้วยมือขวาอัลลอฮ์พอใจเห็นไหมพี่นาทั้งหลายมันคนละภาพเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เตือนในการปีกุรอานให้คนที่อ่านกุรอานวัวนั้นนึก โอ้เล่ามาตัดตีนาบิลมาลาอิกะติอิงกุนตามินอสอดีกีนทำไมท่านเนี่ยไม่นำมาลาอิกาลงมาให้พวกเราเล่าถ้าท่านอยู่ในหมู่ผู้สัตว์จริงคุณจ้าเนี่ยผ้าที่ผมเล่าเมื่อกี้นี่เลยไปนอนตอนเดินหน้าเดินหลังตอนหน้า ต, อ น, นาตอนหลังมีนู้นมีนี่มี ทหารตำรวจประกอบหน้าประกอบหลังเดินตามหลังนบีอย่างนี้ตั้งหางที่เราต้องการแต่นี้มามานั่งเฉยๆจะกินข้าวกาว่าชั้นเขาโอ้มองดูไม่เข้าท่าะนุ่งอะไรโต๊ะกหมมอนกันสูงกว่าตาตุมไม่ใช่มันต้องโระอะไรนะกอมส้นอ่าเห็นไมวัฒนธรรมมันคนละอย่างอ ย, าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นมีภรรยาสีอีกอู้ อยู่อย่างเราเนี่ยมีภรรยาหนึ่งหา ก, กินพิเศษได้อีกใช่ไหมน่ะมีเมียเล็กมเมียน้อยอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องแต่งกินแบบบุฟเฟ่สบายดีใช่ไหมนี่ต้องรับผิดชอบเลยต้งสองสามคนไม่เข้าท่าอยู่อย่างเราดีกว่ากินเบียกก็ได้กินเหล้าก็ได้ข้าวบาร์ไนครับก็ได้อยู่อย่างมุฮัมมัดไม่เอาไมา่ชีวิตไม่สนุกเลยแล้วก็เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันโอ้โหมันสนุกจริงๆนั่นฝังกันนูนเขาทำคนฝังกันนี้ ไม่มีสะอาดบริสุทธิ์แต่นั้นโรคเอดสีมีไหมพวกเราไม่มีเนี่ยยาบ่งยาบ้านนะเต็มคนฝั่งนู้นฝั่งนี้ปนกันวันนี้คนฝั่งนีน้ทําตัวเป็ น, น, นคนฝั่งนูน้นนะครับพี่น้องเอาล็อตอบนะครับพี่อ่านนะถ้าหากให้มลายิกาลงมาเนี่ยถ้าให้มลายิกาลงมาเดินขร้อมกับนบีมุฮัมมัด วันนั้นเป็นวันที่อัลลอฮ์ลงโทษถ้าหากให้มาลายกา อ, อย่างมาลายกาจิบรี น, นลงมาเนี่ยลงมามาสองอย่างนะั้นให้จิบรีนมาลายกาลงมาเพื่อเอากุรานมาให้โมฮัมหมัดเป็นศัจธรรมเป็นความดีเป็นความรู้น บ, บีก็เอามาสอนแต่จะให้จะลงมาอีกทีหนึ่งไม่ใช่มาแบบเอากุรานมาแล้วเอาอาจาบมา อ, อย่างกัน คนรุ่นก่อนๆเนี่ยพวกอาร์ตสมูธเนี่ยพาพายุมาเนี่ก็ตายกันหมดนั่นมล า, ายกามาน่ะนะแต่มองไม่เห็นตัวมาเพื่อมาเล่นงานคนที่ไม่เอาศาสนาเอาอย่างที่ฟาโรห์จมน้ำตายนะนั่นฝีมือใครอะฝีมือใครฝีมือมล า, ายกาของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะ่ะซานามิที่ผ่านมานั่นฝีมือใครอะ ฝีมือมล า, ายกิกาทั้งหมดน่ะพุทเดียวตายเป็นล้านน่ะนั่นเป็นฝีมือของมล า, ายกิกาของอัลลอฮ์สุบฮานละลงมามาทําลายคนไม่เอาศาสนาแค่นั้นอย่าทาอย่ท า, าเอามล า, ายกิกาลงมาเดินเนี่ยห้อมหน้าห้อ ม, ห, อมหลังนบีไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามล า, ายกิกาลงมานะวันนั้นหมายถึงวันพินาศวันของการลงโทษวันของความหายยะนะ ของมนุษย์ที่หันหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาละมานุซลุลมาลอยกะต้อิลลาบิลฮักตีมานุซลุลมาลัยกะต้อิลลาบิลฮักตีเราอัลลอฮ์มิซุมมาลัยกะลงมารกเว้นแต่ ด้วยความเหมาะสมบิลฮักตีเนี่ยอธิบายอย่างนี้คําว่าบิลฮักเนี่ยเพื่อการตัดสินอันเด็ดขาดมายถึงการลงโทษเล่นงานเราไม่ส่งมาเลยกล้ามาหรอกครับถ้าส่งมาต้องส่งมาท ำ, นะาทำลายนะมาทําลายถ้าจะส่งมานะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะโดนไมทีนมาทําไมนะมาทําลายครับมาลงโทษนะพี่น้อง มาลายการลงมาสองอย่างหนึ่งลงมาเพื่อเอากุรานมาให้นบีใช่ไหมเขาเรียกว่าวะฮีอ่ะใช่ไหมลักษณะของนบีเวลารับรับวะฮีของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวนะกรนัตหนาวจะจัดเนี่ยเหงื่อนบีออกอเหงื่อออกหนักมากครับมีซอฟ้านบีท่านหนึ่งนั่งอยู่กับนบีนบีนั่งนั่งทับขาอยู่อย่างเงี้ยนั่งทับขาอยู่นั่งติดติดกันเนี่ยอัลลอฮุอะลลอฮ คนที่ถูกทับจากนาบีบอกว่าชันนักขาเกือบขาดนะ่ะมันหนักมากเลยเนี่ยนบีก็บางทีนบีก็ตัวสั่นบ้างบางทีหน้าแดงเหงื่อออกนี่ลักษณะของนบีที่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตัดาเนี่ยมาอย่างงี้ไม่มีปัญหาดีหมดแต่ถ้าจะมาอีกทีนึงนะพาอาดาบมาพาสุนามิมาพาลมมาพาแผ่นดินไหวมา มาเป็นการทรมานกับคนที่ไม่เอาศาสนาของ Allah s u b าน n a h วะต t a a l a มานุนอะซิลุลมาอิกะตัอัลลาบิลฮักวิวัมากานูอิดัมุนัรินและเมื่อนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ถูกประวิงคือไม่ถูกยืดเวลาอีกแล้วนี่อาย่านี้ต้องการจะอธิบายว่า ถ้าให้บลิการลงมาอย่างที่ท่านขอร้องเนี่นะอลัลลอฮ์ส่งมาอลัลลอฮ์พาอาดาบมาให้ด้วยฉะนั้นนี่มันสูตรของอลัลลอฮ์จะคิดเองว่าขอนน่นขอนี่ความจริงอลัลลอฮ์น่ะให้ทุกอย่างนะอา้าวสมัยก่อนนี่อยากจะเห็นอะไรนะเห็นนบีพ่าเดือนใช่ไหมนะ่ะอลัลลอฮ์ก็ให้อะอ้าวเดือนแยกออกจากกาันยังไม่พอเอกอะ่ะขอไอ้นั้นเอกขอไอ้นี่เอก ยังกับพวกเราเนี่แหละขอเยอะความจริงอัลลอฮ์ให้เนะี่ยความจริอยู่สบายจะตายไปเนะี่ยมีบ้านมีที่อยู่มีที่ดินมีเมียมีลูกขอให้อ่ะอยากจะเห็นอะไรอะไรไปน้องก็ลองตายอยู่สิเต็มเลยเห็นอยู่ในกูโบเน่ะไปน้องนี่ยขึ้นบนชั้นฟ้าก็เหมือนกันขึ้นเมีย อ, อัลอฮไปหาอัลลอฮ์ไปรับกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์อักบะตไปรับนมาต นบีเห็นอะไรเต็มบนบนบนท้องฟ้านะ่ยให้เห็นคนเดียวแล้วให้นบีมาสอนนี่งานวิธีการสอนของอัลลอฮ์ผ่านยิบรีนผ่านนาบีมุฮัมมัดเพื่อให้อิสลามกับชาวโลกผ่านนมุฮัมมัดให้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นอะไรเต็มบนบนเลยแล้วเอามาเล่าให้ท่นานนบีให้พวกเราฟังนบีลืมเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดรูปแาบก่อที่นบีจะขึ้นแม่รอดนบีเห็นอะไร นบีพบอะไรพี่น้องภรรยาตายแล้วก็ใครตายอีกลุงอบูตอเลบเสี ย, เ ส, ยเสียชีวิตคนดูแลนบีไม่มีผู้ช่วยนบีไม่มีภรรยาที่ดูแลเอาใจใส่ปอองค์ปอบใจเสียชีวิตสองคนนี่ตายนบีเศร้านะ่ะเอาล็อให้ขึ้นเมอรอชพอขึ้นไปลงมาลืมเหตุการณ์นี้เลย พอไปเจอข้างบนเนี่ยเต็มไปหมดคนไม่นามาถูกลงโทษยังไงคนทาจินาถูกลงโทษยังไงคนที่กินเหล้าถูกลงโทษยังไงคนที่มีจานาบา้าไม่อาบนา้ายูนุปเก็บยูนุปเอาไว้ถูกลงโทษยังไงอุลโรว์อัคบัต น, นบีเห็นไปหมดเลยแล้วก็ไปเห็นไอ้คนที่ที่ฟารโรโยนใส่น้ามันเดือดๆนะ่ะ รู้เปล่าลูกสาวฟาโร่เนี่ยมีคนหวีผมคนหนึ่งแล้วก็คนที่หวีผมเนี่ยเชื่ออลัลลอฮ์ผ่านคําสอนของนบีมูซาเนี่ยโอ้โหฟารโร่โกรธมากเลยลูกสาวเขาฟาโร่เล่าให้พ่อฟังบอกว่าเนี่ยคนที่หวีผมหนูเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าพ่อนายใหญ่เขาเชื่อว่าอาลัลลอฮ์ใหญ่จับผู้หญิงคนเนี้ยโยนไปในน้ามันเดือดๆไหนไปน้ อ, นนอง ตอนน บ, บีขึ้นไปเมือรอสเนี่ยไปเห็นกลิ่นหอมของผู้หญิงคนนี้น บ, บีถามว่ากลิ่นหอมของใครอะ่ะเขาบอกนี่อ่ะเป็นคนที่หวีผมให้ลูสาวฟาโร่ที่รักอัลลอฮ์รักน บ, บีมูซาอัลลอฮ์ให้รางวัลตอบแทนกลิ่นหอมมาน บ, บีมุฮัมมัดจางนี้เป็นต้นพอขึ้นไปข้างบนเนะ่ยเห็นอะไรหมดเลยครับอีิมานมันเพิ่มมาพี่ น, น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นคุณอ่านอัญานี้เตือนเรานะครับบอกว่าถ้า เราอัลลอฮ์มิส่งส่งมาลาอิกาลงมาหอกเว้นแต่ด้วยความเหมาะสมคำว่าเหมาะสมบิลฮักกี้แปลว่าเรื่องความจริงเนี่ยอธิบายอย่างนี้เป็นการลงโทษมาเล่นงานลงโทษแล้วก็เล่นงานด้วยนะวามากานูอิซามุลซอรีและเมื่อนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ถูกประวิงขณะนี้อัลลอฮ์ประวิงเวลา อเอาไว้คนที่ไม่เอาศาสนาคนที่แมวเวันนี้เอาล็อประวิงเวลาเอาไว้เนี่ยประวิงประวิงประวิงประวิงประวิงเอาไว้นะครับเอาต่อมาอายาที่เก้าครับอินน <art> ัหนุนัซลนัซ <Eliot> อ <trans> ิกราวินนาเลหุเลพาฟุนอินนาแปลว่าแท้จริงหนัหนุแปลว่าเรา นัลนัาดิเคราะห์เราได้ประทานข้อตักเตือนคำว่าข้อตักเตือนที่นี้หมายถึงอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมารครับทยอยมานากรูอานมาชนลงมาเป็นเล่มนะทยอยลงมาทีละอายะทีละสิบอายะบางทีก็เป็นสูโรประทานลงมาใช้เวลากี่ปียี่สิบสามปีของการประทานอัลกุรอานลงมากี่แห่ง สองแห่งที่ไหนบ้างที่มักกะกับที่นครมาดีนะนั่นเวลาเขาพูดเนี่ยกับอุลมาก็พูดว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ในที่ที่อัลลอฮประทานอัลกุรอานลงมาสำนึกตัวมันขนมันลุกอะ่ะมันที่นี่จะมาอัลลอฮฺ Allah ประทานอัลกุรอานลงมาอัลลอฮฺอักบารมันเป็ น, เ ป, นเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ดีอะ่ะ เอาลองให้ประทานจ ย, ยิบรียนลงมาเอากุรุศานลงมาให้ประธานตรงนี้ด้านที่ตรงนี้ต้องเป็นที่ที่สะอาดบริสุทธิ์นี่รู้ไหมสงครามมันจะเกิดขึ้นนะระหว่างมุสลิมกับยิวแล้วก็ดัจจา น, นี่มันไปทั่วหมดเลยนะแล้วคนจะเชื่อดัจญานหมดเลยนะเชื่อหมดเลยนะ่ะรู้ไหมมันทํายังไงถึงคนเชื่อมันเกิดปุเนี้เพราดัจญานเป็นงี้ มันสามารถรักษาให้คนตาบอดหายได้แล้วก็ทรัพย์ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันออกมาหมดเลยระบาเก๋งเก๋งหน้าดูเลยทรัพย์ที่อยู่ในดินเนี่ยยังทองเนี่ยน้ามันเนี่ยมันขุดปั๊บปั๊บออกมาแล้วก็ข้ราอีก่างหนึ่งแผ่นดินที่แห้งแล้งในพี่น้องมันทําให้หญ้าเนี่ยขึ้นได้ต้นไม้ขึ้นได้เอาใครไม่เชื่อมันเชื่อ değil, ไม่เชื่อ โอ้โหแผ่นดินที่แห้งแล้งนี่นะสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยใครจะไม่เชื่อคนฟังกันนี่ชมอยู่แล้วเนี่ยเก่งมากเก่งมากแล้วมันทำอะไรนะ่คนเชื่อหมดนะ่ะแล้วก็มันเข้าไปทำลายหมดมีอยู่สองแห่งคือที่มักกะกับมา ด, ดินเต่านั้นที่ดัชญานเข้าไม่ถึง นอกนั้นถึงหมดเลยแล้วพวกเราจะรอดอะ่ะขอทุกอาให้ตายก่อนนะนะอ ย, อย่าไปอยู่กับมันเลยแค่มันกระจอ่อนๆอย่างเราเนี่ยไปง่ายอยู่แล้วขณะเสียงดนตรียังไปเลยเสียงเพลงยังไปเลยพี่น้องเอาแต่นั้นก่อนเล่าให้ท่านที่ต้องฟังนะครับเราได้ประทานข้อตักเตือนนะครับ ลงมาว่าอินนาลาหูลาฮาฟิรูนและแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันแน่นอนอธิบายยังไงครับอธิบายอย่างนี้กุรานเล่มนี้มาจากไหนใครส่งมาอเมริกาหรือญี่ปุ่นฝรั่งเศสอัลลอ์ส่งมาก่อนหน้าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอ์นนอลอส่งคัมภีร์มากี่เล่มพอจะทราบใช่ไหมกี่เล่มมีเตารออินจีล ซาบูร์ยางน้อสามเล่ม น, นะแล้วก็มีคุรานเล่มเล่มที่สี่ฟูร์กอฟูร์กอนซบูร์ซาบูร์เตารอดอินจีนฟูร์กรมีสี่เล่มมาจากอัลลอฮ์สามเล่มนั้นต้นฉบับไม่เจอแล้วต้นต้นฉบับเดิมๆเป็นยังไงที่มาจากอัลลอศ์สูญหายหมดแล้วสาเหตุ เพราะอัลลอฮ์ให้อุลามาของพวกยโฮดีโต้ครูของพวกเยโฮดีให้ดูแลคัมภีร์ของอัลลอฮ์แทนอัลลอฮ์หน่อยพวกนี้ดูแลไม่ได้ทําลายหมดเลยทําลายก็ทํางนี้เปลี่ยนข้อความในคมภีร์ที่มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เอาความคิดตัวเองใส่ไป เพราะฉะนั้นอลัลมอฮฺจึงแนะนำบอกว่าถ้าหากพวกเราวันนี้เนี่ยนะเข้าไปในโบสถ์เขาสอนเขาเอาคัมภีร์ไบเบิลมาสอนให้นั่งฟังเฉยๆเชื่อทั้งหมดก็ไม่ได้จะปฏิเสธทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าอายาไหนมาจากอัลลอฮและอายาไหนเป็นของมนุษย์ที่คิดเอง อยู่ในคำพีตอรอซาบุนอินจีนเต็มไปหมดเลยวันนี้ฉะนั้นไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เพราะมันสับสนเปลี่ยนแปลงสังขยาณากันหมดแล้วฉะนั้นอัลลอฮ์ทดลองให้มนุษย์ดูแลมาสามเล่มสำเร็จไหมไม่สำเร็จฉะนั้นเล่มนี้เล่มสุดท้ายอัลลอฮ์กล่าวว่าว่าอินนาลาหุลาฮฟิซแท้จริงเราเป็นผู้รักษามัน อเลาะขอรักษาเองเไอ้ไม่เป็นยอดทั้งหลายเนี่ยกรุรอานแล้วนี่ยอเลาะรักษาครับมีเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงในสมัยของคอลิฟาหมะมูลในตัฟเซดภาษาอูรดูชื่อมหาอาัลีคุลกุรานผมอ่านพบเมื่อคืนเนี่ยไปเปิดดูโอ้ของดีอเล่าลิฟาเป็นน้องฟังเลยคอลิฟาหมะมูลเนี่ยพี่น้องไปเชิญอุลมามะในรุ่นนั้นน่ะ มาประชุมด้านวิชาการมาประชุมกันเยอะมากแล้วก็มีคนยูดยิวคนหนึ่งมาประชุมด้วยเห็นจากการแต่งกายภาษาที่พูดรู้ว่าเนี่ยมันจะมันจะมุสลิมเป็นคนยูิวมาประชุมพอประชุมเสร็จท่านคอลิฟ้ามะมูลก็เชิญ บ, บอกท่านมาพบพมหน่อยสิบอกมารับอิสลามเธอฉันจะให้เกียรติคุณต้อนรับคุณดูแลคุณมากกว่านีอ้อีก บอกไม่ได้ฉันนี่ต้องเชื่อผู้ญาตายายอางก็หายไปปีหนึ่งพอปีที่สองเนี่ยมาอีกแต่มาเป็นมุสลิมพวกซาาบันมาแล้วใครโตบดีพวกซาาบันโอ้มาประชุมอะ่ะพอประชุมเสร็จคอลีฟ้าก็เชิญบอกท่านปีที่แล้วชนเชิญทวนท่านน่ะท่านบอกปฏิเสธแล้วก็ ปีนี้มาและเป็นมุสลิมทำไมเขาบอกกันหลังจากท่านเชิญชวนนฉันก็กลับไปที่บ้านเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะเขียนคัดลายมือสวยเขียนภาษาฮิบรูเก่งและภาษาอาหรับฉันก็เขียนเก่งด้วยฉันก็เอาความคีร์ไบเบิลกับคัมภีร์เตารออินจดียพวกนี้นะ ยงละสามเล่มเขียนอย่างละสามเล่มฉันก็ตัดบางอายะแล้วก็ใส่เอาความรู้ใส่ไปบางอายะในคัมภีตรต่อร้อนนั่นแหละทั้งสามเล่มนั่นแหละพี่น้องแล้วก็เอาไปขายที่โบสโอ้โหชาาโบสนี่ทุกคนพอใจหมดเลยแล้วก็ซื้อราคาแพงด้วยฉันก็ทำกากมรอานขึ้นมาอีกเสบสามเล่มเหมือนกันแล้วก็ตัดนู้นทอนนี่เพิ่มนั่น เอาไปให้มุสลิมไปขายมุสลิมที่มัสยิดมุสลิมก็ขอขาอ่านก่อนนะเพราะไม่ไววหน้าไ ม, ไม่ไหวใจคุณนะ อ, อ่ะกูอานนี่นี่นี่นนอญญาย่านี่เพิ่มเอาไปเอาไปาไปตลงว่าขายไม่ออกกรอ่านสามเล่มที่ทามาเนี่ยขายไม่ออกแต่อีก้าเล่มน่ะขายออกก็เล่นนอนนึกโอ้สงสัยกรอ่านเนี่ยอัลลอ์รักษาจริงๆดูสิขายไม่ออกอ่นะ เลวก็หันมารับนับถืออัลอิสลามนี่ยรับพี้น้องเราเล่าให้ท่านคอลิฟามะมมูลฟังคนยิวรับอิสลามเพราะอย่างนี้พิสูจน์แล้วไปไม่รอดแล้วก็เรื่องนี้พี่น้องครับท่านกอดียหยาเป็นอลุลามะก็ไปทำฮัจ์เสร็จแล้วก็ไปพบท่านซูฟยานบินอุยยนะ์นักเป็นอุลมามะดังคนเป็นคนดีนะไรพี่น้องเคยเล่าเรื่องนี้ ให้ซุฟยานอุยอุยใหญ่หน้าฟังบอกว่ามีคนยิวรับอิสาเลเพาะเพาะเพาะเพาะท้าอ่านครมอารเลยก็บอกว่านันงครมอนรอะไรยนี้ไงวะอินนีละหูลาาฟิรูนอิสตัฟารูฮาก็บอกว่าคัมภีรอีกสามเล่มนั้นอัลลอฮ์ขอร้องให้มนุษย์ช่วยดูแลขอร้องให้อุลามายาฮูดีช่วยดูแลให้ n อย แต่อุลามาฮิยะูดีดูแลไม่สําเร็จในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์พูดไว้แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่มาเรื่องเก่าโอ้โหพี่น้องครับฉะนั้นคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้ข้อสรุปบอกว่าวันนี้มีเด็กก็ท่องจําคุรานคนผู้ใหญ่ก็ท่องจํากุรานคนแก่ก็ท่องจําอัลกุรานผู้หญิงกระท้องผู้ชายก็ท่องคนจนก็ท่องคนรวยก็ท่อง ไอ้พี่พื่น้องในโลกนี้ไม่รู้ว่ามีอยู่กี่ร้อยล้านคนที่ต้องจำอัลกุรอานลองไปอ่านกุรอานผิดดูสิในนมาดเนี่ยเดยวโอ้เตือนกันทางสุราวนั่นแหละไอ้พี่พื่น้องนี่ไงเป็นการรักษาอัลกุรอานของอัลลอฮ์ไม่ใช่รักษากุรอานอย่างเดียวนะรักษาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดด้วยคําว่ากุรอานหมายถึงนบีมาอธิบายกุรอานแต่นั้นสุนนะของนบีเนี่ย ถูกรักษาด้วยนะอ่ะนบีดื่มน้ำโดยมือขวาถูกรักษาจนกระทั่งถึงวันกิยามาจฉะนั้นอย่าดูถูกสุนนะของท่านนาบีอมิชายอยู่คนหนึ่งอธิบายฟังตรงนี้เลย <c oughs> นบีเห็นกินอาหารด้วยมือท้ายต่อนหน้าท่านนาบีนบีไปแห่งที่แห่งหนึ่งไปเจอคนคนหนึ่งกินอาหารด้วยมือท้ายนาบีก็บอกกินมือขวาสิ กินมือขวาสินบีสั่งอ่ะชาเขาเรีว่าฉันกินมือขวาไม่ได้นบีบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปคุณไม่มีโอกาสได้กินอาหารด้วยมือขวาเลยเมื่อก่อนเนี่ยยังพอยกได้พอนบีพูดคํานี้ยกมือขวาไม่ได้เลยอ่ะยกถึงปากไม่ได้นะพี่ น, นอ้องทั้งหลายเพราะอะไรใช่ไหมฝืนคําสั่งของนบีให้ไหมพี่นอ้อง อัลฮัมดุลิลละเนี่ยพวกเราที่ที่ปฏิเสธสุนัขของท่านนาบีวันนี้นะอลัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษนะเป็นความเมตตาหนะที่ถาว่าจะลงโทษนะเรียบร้อยหมดแล้ว Nah abi, เพราะนั Quran, nah abi, Muhammad, ni, ni, Quran, ้นอย่าดูถูกสุนนะของท่านนบีเพราะอัลลอฮฺสัญญาในการมีกุรอานว่างนะว่าอินนีว่าอินนาละหูละฮาฟิรุนฉันรักษากุรอานฉันรักษาสุนนะของท่านนบีฉันรักษาโมฮัมหมัดแล้วก็ฉันรักษาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺทุกคนคําว่าฮาฟิรุนคำนี้รักษาเนี่ยไม่ใช่อลกุรอานเป็นตัวอักษรอย่างเดียวในไปน้องความหมายของอัลกุรอานผู้บรรยายอัลกุรอานนบีโมฮัมหมัด รวมไปถึงโอลมาที่ทำงานศาสนาอัลลอ์ดูแลรักษ า, ามหมดแต่ท่านต้างหากเราบังที่ทำงานศาสนาอยู่เนี่ยได้รับการทดสอบจะเอลลาลองให้เจ็บให้ป่วยให้จนอย่าไปบน่นอัลลอฮ์ก็ทดสอบอยู่กันทุกคนนั่นแหล ะ, อ, ะอย่างนาบีอะไรที่ป่วยตั้งเจ็ดแปดปีนบีอะไรครับนบีอายูอับฮิสซลามใช่ไหมอันนบียูนุสถูก โยนลงไปในทะเลแล้วก็อะไรกินปลาเกินอยู่ในท้องปลาทำไมนบีต้องถูกพี่ น, น, อน้องเพื่อเป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเราวันนี้เป็นข้อเตือนใจทั้งหมดฉันทั้นกุรานี่ถูกรักษาไล่คนรูปหลอ่ลอๆแบบนบียูซุฟ พ, พวกเรามีไหมมีเดินไปไหนผู้หญิงชอบหมดอ่ะทำตัวยังไงอ่ะก็ตอนึกถึงนบียูซุฟประคองตัวเองไว้ไม่ให้ไรนะไม่ให้เสียกน กูอานนี่สอนหมดเลยฉะนั้นคำพีกูอ่านอัลลอฮ์รักษารักษานบีมุฮัมมัดรักษาอุลมามะรักษาผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ไม่ให้ตกนรกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอย่าดูถูกสุนนะนบีเรียนรู้เรื่องสุนนะนบีแล้วก็นำมาไปปฏิบัติด้วยความภูมิใจนะครับเอาต่อมาครับถางวันนบีมาในฐานะอะไรครับ อินนามะบุห์ไอตูมูอัลลิมันนบีมานฐดธานะาเป็นคนสอนนบีไม่ได้บังคับให้ใครรับอิสลามนะพี่น้องนะไม่ได้บังคับฉะนั่นคนที่อัลลอ์ให้มาอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์เมตตาแล้วนะอะอย่างพวกเราเนี่ยนะบางคนไม่เคยเข้ามัสยิดแต่ตอนนี้เริ่มมามัสยิดแล้วแสดงว่าอัลลอ์เมตตาไหม อัลลอฮ์เลือกแล้วให้เรามาอยู่ตรงนี้ต้องภูมิใจอย่าไปเข้ามาแล้วอย่าออกล่ะอ้ะาวใช้ชีวิตแบบฝรั่งนู้นดีกว่าสบายดีนั่งอะไรนะพัตตาคารอ่านั่งโรงแรมนั่งนะนั่งได้จะถึงเวลาก็ตกไปนมารอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้าวต่อมาอายาที่สิบนะครับของสุรัตน์อัลฮิจูร و ا ل ق ิ أرسلنا من قبلك فيش يعل أولين แปลว่าอะไรครับโดนแน่นอนยิ่งอัลสลนามิ่งกอบลิกะกอบลิกะแปลว่าก่อนหน้าท่านก่อนหน้านบีมุฮัมมัดนั้นเราได้อัลสลนาเราได้ส่งบรรดารอซูล ฟีชิยายลอาวารินท่ามกลางหมู่คณะทั้งหลายในอดีตในอดีตส่งรอซูลนมาต้องการจะปลอบใจนบีอีกเหมือนกันว่าคนที่ถูกส่งมาทุกคนเนี่ยรวมท่านนาบีมุฮัมมัดด้วยเนี่ยถูกอะไรครับอ่านต่อบปยังที่สิบเอ็ด ว่ามายัติหิมีรสนิลินอิลลากานุบิฮิยะสตาซีูลและไม่มีรสูลคนใดที่มายัางพวกเขาที่มาสอนศาสนาแบบสบายๆแบบสะดวกสะดวกไม่มีการขัดขวางนะไม่มีเว้นแต่พวกเขาได้รับการเย อ, อยหยาเห็นไหม เล่าให้ฟังเลยคนทำงานศาสนาอย่างนาบีเนี่ยเป็นคนดีที่สุดที่อัลลอฮ์ส่งมาไม่มีใครทำงานราบรื่นมีอุปสรรคหมดเลยสบายใจไหมน้องเราเองวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเอาศาสนานะบางทีญาติพี่น้องก็มันไส่ดูสิดูสิดูมันทำาเคยนั่งนินทากันร้านกาแฟ เดี๋ยวนี้ดูดิมันอัเล็มแลว้วมันเข้าสุราแลว้วมันอัเล็มใครอะก็ดูเราเตะเราจิวะนี่แหละไม่มีใครหรอกถางว่านบีมุฮัมมัดถูกย่อเย้ยะนะใครอ่ะก็ญาตินบีทั้งหมดนะั่นแหะแล้วเราวันนี้ถ้าจะเอาศาสนามาไว้ในชีวิตไว้ในครอบครัวเนี่ยถูกย่อเย้ยไหมถูกครับแค่นั้นอย่าท้อนะถ้าไม่ถูกย่อเ ย, อเยอ้ยมัใช่อิสลาม นี่พูดง่ายๆนะคนที่เอาศาสนาไม่ถูกเยอะเย้ยไม่มีคนนั้นไ ม, ไม่เอาไม่เอาศาสนาจริงถ้าเอาจริงต้องถูกเยอะเย้ยพระคุงอาุญาตเนี่มันชัดนะไม่มีนบีคนใดที่อัลลอฮ์ส่งมาในโลกแล้วไม่ถูกเยอะเย้ยทำงานศาสนาแบบเรียบๆราบๆแบบไม่มีอุปสรรคไม่มีครับมีอุปสรรคหมดเลยเอาทำงานดุญยานี่อบตอช่วย ใช่ไม่ใช่มีผู้ว่าช่วยอสอบตช่วยโอ้มีสอขอช่วยสวช่วยช่วยเต็มมาเลยครับแต่คนงานศาสนาในใครช่วยอ่ะเอ้าน บ, บีมุฮัมมัดมีเงินเดือนเปล่าไปมาทำงานศาสนามีเปล่าไม่มีมีมารัยการลมมาห้อมหน้าห้อมหลังไ้ยไม่มีเดินคนเดียวสบายต้องรับผิดชอบเองดูแลเองไปน้อง เงินเดือนจากรัฐมีไหมไม่มีฉะนั้นงานศาสนานี่เป็นรองครับต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นเองทำแล้วก็หวังอะไรอีมานั่นให้อีมานเพิ่มแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาแล้วพี่นรองครับคนที่รับอิสลามแล้วก็ทิ้งอิสลามไปมีไหมมี ในสมัยนบีมีมีอยู่คนหนึ่งท่านอานัสบินมาลิกนีดเล่าประกอบเล่าประกอบท่านอานัสบินม า, า, าลิกอิยลลัลฮ์วานูเล่าบอกว่ามีคนรับอิสลามคนหนึ่งมาเป็ น, น, นด้วยเป็นเล ข, ขาท่านนาบีมาบันทึกกุนานบันทึกสองสุรัสุรับบาการอับกับสุรับอัลลอิมรอน พอมาเป็นอิสลามอยู่ภาคหนึ่งก็ลาออกเขาเรียกว่าตกมุรตัดลาออกจากอิสลามพอออกไปแล้วไม่ได้ออกไปเฉยๆนะไปทำลายนาบีพูดเยียดยามนาบีนี่งต้องการจะอธิบายว่าเยียดยมนะไปทำลายนาบีไปเยียดยามนาบีแล้วก็นบีเนี่ยเป็นคนของใครอ่ะเป็นคนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาว่าว่าอินนาละหูละฮาฟิรูนฉันจะรักษานาบี จะรักษาอุปราชจะรักษาสุนาขนบีจะรักษาผู้ศรัทธาของอัลลอ์ลืมคิดนึกว่าตัวเองอิสระด่าใครก็ได้พอมดานบีว่าตำหนินบีนบีพูดอย่างนี้อินนัลอาร์อลาตะกบิลูฮูอ <Bloomberg ueprint> <K> ินนัลอาร์อลาตะกบบิลูฮูภาษาอดูบอกว่าจมีนอุเซคุบูลฮีนะฮีแกรง แผ่นดินจะไม่รับคนคนนี้ตอนตายนาบีพูดแค่นี้ครับดามามารู้กี่เดือนดามาเป็นปีๆดานาบีมุฮัมมัดแต่นบีพูดประโยคเดียวอินนัลอัลลอลาตัฟบิลูฮูแผ่นดินตอนตายไม่รับคุ ณ, คณพูดแค่นี้เองพูดสั้นด้วยพอตายอ่ะฟังสามเที่ยว แผ่นดินโยนออกมาอยู่หน้าอยู่หน้ากูโบโเลยวันแรกฝังแผ่นดินโยนออกมาได้อีกนี่ฝีมือมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดส่งลูกน้องไปขุดวันที่สองขุดลึกกว่าเก่าอีกวันที่สองแผ่นดินก็นโยนมาอยู่นอกกูโบอีก วันที่สามก็ถูกอีกถูกโยนมาอยู่นอกกุโบอีกแผ่นดินไม่รับพอานาบีพูดไว้คำเดียวอ่ะอินนัลอัลลอฮ์ตักบลูแผ่นดินไม่รับคุณพูดแค่นี้เองอ่ะแล้วอัลลอ์เชื่อเปล่าอัลลอฮ์สั่งให้ น, นาบีพูดนะแล้วก็ส่งมาอยู่ข้างนอกกูโบเนี่ยคนเดินไปเดินมาก็ถามว่าใครอ่ะก็เล่าให้ฟังคนนี้ดานาบี ม, ม, ามุฮัมมัดไอ้มันไปนอกตั้งหลาย แต่ท่านคนที่ไม่เอาสุนัขนบีวันนี้ต้องนึกนะที่อัลลอฮ์ไม่เล่นงานวันนี้เอาอะไรทำอยู่ลลาแต่อยากคิดว่าไม่เอาสุนัขนบีใจไม่ถูกเล่นงานถูกเล่นงานตอนไหนหรือเปล่าเอาวันนี้พวกเรา่าตอนไหนตอนตายลองตายดูสินี่อัลลอฮ์ให้เห็นนะให้เห็นคนเดียวพอไหมพอฟาโรห์มา ก, กี่คนคนเดียวพอแล้วเป็นกรณีตัวอย่างเขาเรียกอาารย์นนะ S case s t u ี y เป็น case study คนเดียวพอแล้วดัา น, นถ้าเราอ่านกลัอ่านเนี่ยไปนองอ่านแล้วเข้าใจใดีจะกลัวอะไรจะขยับมือก็ไม่กล้าเนี่ยเอาล่ะใจเข้าห้องน้ำก็ต้องนึกไอ้ซ้ายหรือขวาเหีเท้าเนี่ยจะออกจาหมัสดิดเอ้ยเอาไงเอาไงเอาเอเอาซ้ า, า, า, ายซ้ายไปนอนอ่านอ่านหมต้องนึกครับ คนที่นึกถึงอัลลอ์รำลึกถึงอัลลอ์ทุกอิริยาบถไปนอนกับมีแต่ของดีๆๆอัลลอฮ์ Allah จะมอบให้กับคนที่อะไรนะอยู่กับาศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอ์สัญญาพี่น้องไม่ต้องห่วงนะวกาดิกะวลกอดอะไรนะอินนานะห์นุนซัลนะิกราวอินน่าละฮูละฮฟิรเรารักษาอธิบายทีนะรักษา ไม่ใช่กุรานอย่างเดียวนะสุนนะนบีด้วยคนที่รับใช้กุรานอัลลอฮ์ก็รักษาฮาฟิสกุรานอัลลอฮ์ยัรักษาเลยคนท่องจํากุรานนี่เลยพี่น้องรักษาแบบรึไหมไม่ให้เน่าในกูโบศพไม่เน่าอาจนรย์มี บ, บางคนถามบว่ายังมีพระที่ตายไปตั้งนานศพไม่เน่ามีเปล่า มีอธิบายยังไงลงไปดูสิกลิ่นไม่กลินกล่นเหม็นคนที่ท่องจำกุงอ่านเนี่ยอยู่ในกุโบนที่ไม่เน่านะ่ะกลิน่นหอมนะ่ะกับคนที่ไม่เน่าอยู่ในอยู่ในโล่งนี่ยพี่น้องจะกลิน่นเหม็นลองเปิดดูสิเหม็นสาบแต่ผู้ศรัทธาต่อรอคนที่ท่องจํากรุงอ่านกลิน่นหอมอลัลลอฮฺพี่น้องทั้งหลายไม่เน่าเหมือนกันแต่กลิน่นคนละกลิน่น ในฮะ ด, ดีษอธิบายไว้เยอะไปน้องวิญญาณของคนที่อยู่ในศาสนานี่ออกจากร่างอัลลอฮ์กลิ่นหอมบนท้องฟ้านี่หอมหมดเลยอะ่ะยังมีเป็นต้นมีประวัติเยอะคนที่ตายไปแล้วขุดลุกขึ้นมาเนี่ยกลิ่นหอมเนี่ยมีครับในโลกอาหรับนี่เยอะมากครับคนที่ตายเฉียดเนี่ยน้ำท่วมกูโบไปน้องฝันบอกว่าให้ย้ายกูโบเพราะน้ามันท่วม ตายมาแล้วเป็นพันๆปีไปน้องพอเอาไม้ยิดยาจากหลุมนี้มาอีกหลุมหนึ่งเนี่ยระหว่างที่ขุดเนี่ยแล้วก็เอามาขุดหลุมใหม่กลิ่นหอมยาเป็นกิโลกิโลนี่ยไปน้องคุณหอมหมดเลยอความหอมนี่มาจากไหนว่าอินนีละหูละฮาฟิซุนเรารักษาอัลลอฮ์รักษาไปน้องครับครับก็ทำด้วยแล้วนี่ ี่อายวันนี้วันนี้ยาวหน่อยนะหกเจอายานะครับมีแค่คำถามถามมั้ยครับฟุรกาเนี่ยแปลว่าแยกแยะระหว่างของจริงกับของเท็จกุฟอร์เนี่ยแปลว่าแยกแยะระหว่างของจริงกับของเทียม เรากูอานเป็นคมภีเล่มเดียวที่อัลลอฮ์รักษาจนกว่าจะถึงวันตียามักเล่มเดียวกันกูร์านกับคูร์รคอนเล่มเดียวกันใช่ครับคำสอนทั้งหมดนั้นอยู่ในรัวอยู่ในคำภีกูร์านทั้งหมด ฉะนั้นคนที่เชื่อคัมภีร์เตาร้อจริงๆนี่นะต้องเชื่อคุณอ่านด้วยเพราะในคัมภีร์เตาร้อนนั้นพูดเรื่องนบีมุฮัมมัดเอาไว้ละเอียดยาอิฟูนอบนาอาูเหมือนกับพ่อรู้จักลูกคุณอ่านอธิบายดีนะคนยาฮูดีเนี่ยรู้จักนบีมุฮัมมัดเหมือนพ่อรู้จักลูกแม่รู้จักลูกพ่อรู้จักลูก่ะก็เลี้ยงลูกมามารู้เหม็ดฝ่ายอยู่ที่ไหน นิสัยเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงรู้หมดนี่อรรถอธิบายไว้แล้ววันนี้พวกเหล่านี้เนี่ยมาแอนตอิสลามมาแอนตุรานฮซดันด้วยความอิจฉาท่านอิจฉาดีไหมไม่ดีครับนาตัวเองสู่ความหายนะนะครับครับสุภาน้าตอรอุ้มมาบิขัมเดียชุดวันละอิลลาฮิลลาอันตะอัสตฟิรุกอตบิลกุัลมุอะลัยกุมุลราะห์มัตุลลอฮ์วะบาระก